ที่เตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็ต่อท้ายเองนะเตรียมตัวอะไรแล้วแต่จะเติมเป็นอันตไ น, นจงเติมคําที่ถูกต้องลงในช่องว่างแล้วแต่จะเติมอัตไ น, นเป็นข้อสอบที่ยากได้คะแนนใครตอบได้ะคะแนนเยอะ ใครตอบได้กบบปก็อสอบอ่านมันเพื่อเดินการสอบมันเกี่ยวข้องหนังสือช่วงตนปีนี้เราก็จะเดินเดินหนังสือไม่รู้ว่าหนังสือที่เราได้ไปที่แคออ่อ่านจบป้องเรยยงน่าจะไปหนุนหัวมากกว่านะมั้งเพื่อให้มันซึมซับเข้าสมอง ไม่รู้ใครชอบบันทึกขีดเขียนหรือเปลา่าเราอยากให้พวเราลองเป็นนักบันทึกดูบันทึกกันตัวเอ ง, อองนะวันนี้นี่นกบันที่สี่แล้วมีไหม่ก็เป็นวันพระมันมีอะไรใหม่เขามั้งรวมไปเก่าไป แ, แยกเป็นเรื่องเป็นเรื่องไป ให้มกับเก่าแล้วก็แยกไปอีกว่าอันนี้เป็นเรื่องโรคลกลเรื่องธรรมถ้าเรื่องโลกเขาก็คิดแบบโรกคิดแบบธรรมไม่ได้ไี่เป็นเรื่องธรรมคือฝ่ายธรรมลืงโลกเขาก็เดินไปที่ทำมาหากินสุดท้ายคือสตังเงินทองรายได้สด่วนฝ่ายธรรมมันก็คื อ, เ, อเดินสติ อะไรที่เราเห็นแล้วได้สติเป็นอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานั่นแหละคือธรรมแต่ใช้ชีวิตแบบโลกโลกย่งเดียวปัญหาแต่ทำมาหากินทั้งวันไม่เวลาหาสตินะครับตัวเอนไม่อยู่แบบธรรมแล้วก็ให้เราบันทึกต่อว่าคิดแบบโลกก็ได้ สมมติว่าเดือนนี้ได้สักหมืนห้าจ่ายอะไรไปบ้างหนึ่งสองสามสีสิ้นเดือนเรามาดูดิคินมาเข้ามากหมืนห้าเนี่ยมันเกินหมื่นห้าไหหรือว่าหมืนห้ามันเหลือสมมติเราจะได้รู้ชีวิตก็จะติดลบ ก็เลยเกินกับเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบเป็นเรื่อยๆเรือบริหารจัดการที่จะได้มาส่วนไปทำํำก็สติอันออนี้เป็นของยากเลยเพราะเป็นนามไม่ใช่ชื่อถ้าวันไหนเราไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาว่าวันนี้ก็มีความดีความม่ดีอะไรบ้างเกิดขึ้นก็เราจะได้รู้จากการบันทึก ในเชา้าขึ้นมาไหวพระสวดมนต์พิจารณาพระทหารหลังจากนั้นทำอะไรแต่ ว, วันแต่นี้เราจะรู้เออสิบสอ ง, บบ ง, สอ ง, บบงชั่วโมงสิบสองชั่วโมงที่เป็นเวลาสิบสองชั่วโมงเวลาที่เป็นประโยชน์กับตัวเรายจริงสี่ชั่วโมงเรามียี่สี่ชั่วโมงเท่ากันหมดกลางวันสิบสอง กลางคืนสิบสองก็ยี่สิบสี่แต่ว่าเวลาเดี ว, วที่แต่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ล้เรื่องกลางวันกลางคืนหมดเวลาไปอาการ น, นอนพูดถึงการ น, นอนพู่อหาดสติคือมีสติวันนี้เรามีคนนอนไม่ตื่นเลยสองคนแต่เขาไม่เด้เป็นคนนะ่ะ พอหมดลมเราก็เรียกเป็นศพตอนนี้ในวัดก็หนึ่งหน้าวัดก็หนึ่งอันนี้นอนลักษณะเหมือนกันคนเป็นก็ไม่ต่างอะไรคนตายเวลานอนแล้วบุญบาปไม่เกิดขึ้นเสียเวลาไปกับการนอนโดยประมาณการทั่วๆไปคือไม่น้อยก็แปดชั่วโมง ไม่ได้อะไรนะพอหลับตาหูตาจมกูกหรือแต่จมูกที่ลมเข้าลมออกที่เหลือนอกจากนั้นมันไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปอะไรตอนนี้สองคนที่แสดงให้เราเห็นถึงสัจจะหรือความจริงอันนี้เราเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมะสังเวชถ้าธรรมะสังเวชไม่เกิดขึ้นในปิทาคือความเบื่อหน่ายวิราก ค, คือปราศจากสิ่ง น, นี้ ไม่มีลิบิธามันเกิดไปแล้วครัไม่เกิดธรรมะสังเวีไม่เกิดตี่ไปต่อยอดตี่ไปข้างหน้าทีไปยาวขึ้นเลือดขึ้นหนอง น, นีน่คือขั้นตอนใบนั้นเราตอนนี้ไม่ได้นอนคืออีวนนั่งแต่วก็นั่งด้วยความมีสติคือรู้ตัวตลอดเคือได้ยินได้ฟังเจ้วเจ้าเจวนะคือความมีสติตลอดถ้านั่งเป็นท่าที่สะดวก ที่ไดอยู่นานที่สุดนั่งกับเดินวันนั้นั้นแต่นี้นิยมนั่งสมาธิกับเดินจงกรมุมเป็นหลักส่วนยืนทาได้น้อยดวนน้อยมากๆเลยในชีวิตเพราะว่าเลือดมม่เป็นเลี้ยงสมองยืนนานไม่ได้เลี้ยงคนมีอายุเลี้ยงเวลาจะเป็นลมเป็นแรงนะไอ้ยอดที่ยยเราปฏิบัติคือนั่งกับเดินแต่ถ้าสะดวกคือ เดินเรเปลี่ยนอายโยบดเพื่อให้ว่ามันนั่งนานก็เปลี่ยนลายโยบทเป็นเดินบ้างแต่อย่งางไรก็ตามหรือว่ามีสติพัตถุประสงค์หลักก็ควเรามีสติในเรื่งนี้เพราะนอกเหนือจากเรานั่งแล้ก็เดินแล้วสุดนใ่คนจะไม่มีสติเลยที่ไม่มีสติว่าตัวเองไม่ได้ในขณะนี้ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเราไปวางรมไว้อย่างนั้น เราไม่คิดว่าอริบทั้งหมดเป็นที่วางกันปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงวางหลักการกรอบความคิดอร่อยให้เราในความคิดสีเรื่องเอเจตุรารักกรรมฐานหรืออารักกรรมฐานสี่ขึ้นหนึ่งก็คือเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตบ่ในโลกเลยเปอย่างนั้นั่นก็คือพุทธานุสิติหรือรักดีคุณ ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักดึงพุทธเจ้าแนละคุณของพระองค์ของท่านโดยทั้งเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในตัวเดียวกันพยนายามเราดึงดึงกันที่เรารับกันพุทธังธรรมะสังฆังตงระนังกัจฉานี้ประโยชวายพระแม้แต่การทรรมวัตรเช้าธรรมวัตเย็นก็เป็นกันพาลานาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นเองถ้าโดยสรุปเป็นภาษาราพุณฐานดุสเตตธรรมนานดุจเตตสร้างฐานดุจเตตนี่คือข่าว นี่คือข้อแรกที่ทําให้อย่างน้อยที่สุดก็คือเรามีกำลังใจเราอยู่กับสิ่งที่ดีกาลังคิดอยู่กับสิ่งที่ดีพูดอยู่กับสิ่งที่ดีทดํายู่กับสิ่งดีๆนี่เป็นการรวมความคิดกับพูดการกระทาในทางที่ดีก็คือพุท ธ, ธานุสติสองนึกถึงพุท ธ, ธานุสติเสร็จแล้วคุณสมบัติของผู้เชา่กาก็คือเมตตาฝึกด้วยคุณสมบัติเป็นสองทุกคนควรจะฝึกตัวอเองให้มีเมตตา อ่งสุกิโตโฮนีก็คือเมตตาตัวเองหลังจากนั้นก็เมตตาสารรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือหลักการถ้าว่าเมตตาน่ยมันคมไปหมดหนึ่งในงพรหมญาณสี่คือเมตตาเริ่มแรกก็คือเมตตาทําไมที่บา่าเมตตาคนที่มีเมตตามันทําลายทําลายกันไม่ได้แม้แต่หมูวาก้าไก่สัตว์ของเลี้ยง ทั้งหลายเลยถ้าจิตมันมีเมตตาทำไม่ได้เรืว่าแต่ฆ่าเลยไม่แต่ตีมันยังไม่กล้ามันไม่ได้จิตมีเมตตาแต่เมตตาของผู้เชี่ยวไม่หมือนเมตตาอย่างพวกเราเรียว่าอภิมัญญาคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่จํากัดไม่มีประมาณสัพเพสตาจริงๆหรือสัรพสัตว์ทั้งหลายในเวนสัปกสับน้ําสับเป็น หรือที่ล่วงผ่านมาแล้วใยความเมตตาของพระองค์เพราะนั้นเราก็พยายามฝึกเติมให้เมตตาในชีวิตปัจจุวันเมตาต่อไปก็คือนึกถึงตัวเองอ่ะเป็นตัวเองคือนึกถึง อ, อะไรการสุภะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจยากแล้วก็ เ, าเราเราแก่งให้มาันาน้นส่องประจกมาแล้วก็สวยงาม มันไม่สวยมากงานก็ไปแต่งไปต่อไปตัดไปเพิ่มไปเติมเพิ่มขึ้นมาใหม่ถ้าไม่พอใจก็อาไปเสริมศิลปกรรมพอที่มีอยู่แล้วนี่คือความเข้าใจผิดหรือว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งหูจมูกปากก็ไปเสริมหมดขึ้นเป็นสแสนได้กันเป็นแสนก็เอาไพื่อ้งาน แต่ผู้ชมมองว่าเป็ิอาสุภะมันตรงกันค้ามใค้มองเห็นว่าอย่างน้อยแต่ละวันหรือนานๆนึกถึงก็ยังดีจะได้ไม่หลงอยู่โมหะว่าของเราน่อสุภะอสุภะตรงไหนถ้าแต่หัวเจรดเท้าภายนอกภายในมาเต็มด้วยความสะอาดที่เราสวดกันสุดท้ายเต็มไปด้วยความสะอาดมีประกันต่างๆแต่โดยจริงเรา เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาเราเห็นแค่สัญญาด้วยสัญญาคือจําดูความจำได้ไหมรู้มันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาแล้วเห็นด้วยปัญญาก็คือเราจะเห็นทั้งภายนอกภายในภายนอกเริ่มต้นแต่งูจั ด, ดจรองเท้าสีสับผมแล้วปันหนังที่มันหอ่อหุ้มม่เห็นความสุขภพสมองภายใน พี่เรีกว่าอัศวะคือความไม่สวยไม่งามือยตับแต่ไส้พุงกระเพราะลําไส้ตัวเล็กกระเพาะใจเราใจน้อยเราใจใหญ่ที่หนงอยู่ในตัวเราที่เป็นที่อยู่ของสุขภพสวมมุมว่าวันหนึ่งบางวัต้องขับออกมาทุกวันทุกวันทให้ขับมันก็อยู่ไม่ได้ทั้งของหนักทั้งของเบาเนี่ยเป็นเมา่องมาครอบว่าอัศวะ เพราะถาไม่เห็นความอาสุภาพอันนี้ธรามาสังเวชมันก็ไม่เกิดไม่ธรรมะสังเวชมันเกิดนิพพิาทาคืความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีไม่ไมีเลยไม่มีวันไหนที่เราเกิดเกิดเป็นความนิพพิทาแม้แต่ปัจจัยภายนอกก็ตางมันไม่มีนิพพิทาเวลาคะก็คือยุทธกรรมปราศจากราคะดาคือไม่เปมีราคามีความจรงนี้ เป็นคุณสุบัติของพระอนาคานีพระอนาคามีนะคุณสมบัติตอนทันกับมีคือมันก็ไม่มีมันจะแห้งประกยริยมันก็มีเฉพาะเป็นสัญชาตญาณเช่นข้าปลาอาหารที่เรบุรงเข้าไปมันเป็นเรื่องปกติของกายภาพแต่ตัวไม่มีมันจะแห้งประโยปริยแต่เป็นถ้าเป็นสูงไปก็นั่นก็คือไม่มีไม่แต่ฟันก็ไม่มี ในไม่แต่ในความฝันก็ยางไม่มีแต่ถ้าปุถุชนรู้ไปทำได้ตแต่ก็ยังมีความฝันนะอันนี่คือความแตกต่างระหว่างอุตุคือหนาคารหันตะไกลคือหาอ่างไกลจากสิ่งเหล่านี้พูดงไงตอนนั้นก็ต้องแยกกันนะบุคคลต่างอย่างมันแยกที่ไหนถ้าเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันจะไปไกลจากสิ่น้อยได้อย่างไร ในกระทาษมันใกล้ตัวที่สุดแล้วเรายังมองไม่เห็นสิ่งที่ใกล้ตัวสิ่งที่ตัวเรานะสิ่งที่เราไม่มองไม่เห็นเลยคือตัวเราสิ่งปัจจัยแผลนอกไกลขนาดไหนนอกโลกจักรวาลรู้เรื่องหมดดาวค้งคารดวงจันทร์ดาวประสบรู้เรื่องหมดห่างกันในเทียบเป็นไม้เป็นปีแสงไม่ได้แต่เันตัวเราใกล้ๆเลยมองไม่เห็น อะไคือปัญหาใหญ่เมื่อนานการปฏิบัติครั้งเดต้องการให้เรามองเห็นตัวเองด้วยปัญญาให้สิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาอย่างน้อยที่สุดกเห็นด้วยความเจ็บอยาก่อนเจ็บอยากก็โดยการจากพิจารณาเราเนะเป็นภาพแล้วมโนภาพภาพถึงเกิดก็จากใจนึกขึ้นมาดูเร็วจินตนาการก็แล้วแก่ซึ่งปกติสิ่งเนี้มันมีในจิตของเราอยู่แล้วก็จะเรียกว่าอาการของจิต แล้วเราน้ามันจะมีอาการมันปรากฏมาฉันรู้เพราะว่าปิติสุขหรือตัวลอยหรือมันตัวหายกปเลยมันเป็นอาการของจิตมันไปกลัวจิตไม่ได้ไปไหนจิตปกติของเขาแต่เนื่องจิตจิตมันไม่เคยเจอสภาวะอย่างนี้มันไม่เคยเป็นอย่างนี้หลายคนมันน้ําตาไหลขนลุกตมันไม่เคยสุขภาพดีสบายมันไม่เคยอิสระมันเคยได้ลงตรงหนัง คุมัวมาตอลอดพอเจอมันสบายเป็นมันอิสระมักก็จะอยากจะอยู่ในอารมณ์นั้นคือจะครองอารมณ์นั้นอยู่บางบ้าเขาบอกว่าองชานทรงชานก็แหลือแต่แต่นั่นเป็นแค่อาักขันนะอย่าไปติดในสิ่งเหล่านั้นถ้าไปติดสิ่งเหล่านั้นไปคล้องสิ่งเหล่านั้นมันก็ได้แค่นั้นมันไปต่อไม่ได้คนงไงเหมือนคนทั่ ว, วไป เรติดอยู่ปัจจัยเป็นนอเช่นเขาด่าเราว่าเป็นนั่นเป็นนี่เปนเช่นโอควายม้าไก่เนื่อเราก็ไปติดอยู่คำเหล่านั้นบางที่เราก็เพ่อที่เป็นเขาบอกเป็นควายเราเป็นควายไหมไม่เราเขาเราเป็นเนื้อไหมเราเป็นเนื้อตันทีไหมไม่แล้วทําไมต้องโกรธเราก็ต้องตั้งคําถามเมื่อเราไม่ได้กลายเป็นเนี้อไม่เป็นควายแล้วจะต้องโกรธทำไม แต่คนมีปัญญาก็จะขี่แบบนี่คือการใช้ปัญญาแต่ถ้าคนใช้สัญญาเมื่อไหร่ว่าคนเหี้ยกแล้วเอาพอใจแบบเหี้ยเป็นของไม่ดนของสัตว์ของต่าควายเป็นัญลักษณ์คนโง่เป็ น, น, นของสติมโง่พัฒนาไม่ได้มันก็เลยเกิดความโกรธเพราะว่าสัญญาดูความจำวางสัญญานะั้นไม่ได้แต่พอพิจารณาลึกซึ้งเออควายนะเกิดจากอะไร เกิดจากเราก็เกิดจากเขาเกิดจากเขาเป็นคนเปล่งออกมาเขาม า, ามจากไหนใจมันต้องคิดก่อนที่จะพูดออกมาเป็นรูปเป็นร่างาตั้งนึกว่าควายลักษณะอย่างนี้คุณสมบัดิอย่างนี้เรียกว่าควายเราก็ไปโกรธเราก็ไปโต้ตอบสุดท้ายก็ผลของมันก็คือเป็นควายเป็นผู้อะไรนั่นเลยเป็นคนเป็นคนยังไม่ได้ มันถ้าเราเงียบเสียเราเพราะเราไม่ได้เป็นควายเราไม่ได้เป็นอยื่นเราเป็นคนก็เป็นคนปฏิบัติธรรมจิตเราต้องสูงกว่าสิ่งเหล่านี้ภูมิของจิตของเราต้องสูงกว่าเราต้องรับดับสิ่งเหล่านี้ได้ต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เพียงแค่รู้เท่าทันเท่านั้นมันก็ดับแล้วแต่ที่เราต่อคนยาสาวคนยุติวันนั่นเพราะว่าเรารู้เท่าไม่ทันในทุกเรื่องที่เก็จะพัฒนและกันกระทบ การกระทบจากปัจจัยภายนอกแล้วมันวางอารมณ์ไม่ได้คือจิตมันวางไม่ได้ก็เพราะว่าสัญญาเนี่ยคือตัวสัญญาหน้าตารูปร่างหน้าตาเป็นองตัวปัญญาออกไปนั่นคือบูชาของเราสอนให้เราถึงปัญญาแม้แต่รูปร่างร่างกายสังขารข้างเราอนี้ก็มองให้ถึงปัญญาเป็นตัวสุดท้ายแล้วปัญญามันคืออะไรรูปร่างร่างหน้าตาเป็นอย่างไงสัญญาปัญญา มันต่างกัมันใช่ตรงไหนผมพอกเปรียบเทียบให้ฟังรูปสามรูปการรูปที่หนึ่งรูปร่างปกติรูปตัวผู้หญิงผู้ชายรูปหลอ่อรูปหน้าเกียรดแบบมันทัวตวไปสูงต่ำดาขาวนคนไปรูปภาพที่หนึ่งให้เรานึกถึงรูปภาพที่สองก็คือเจาะเข้าไปข้างในอีกก็อย่าอาศุภะที่ความจริงจะไปเจาะเข้าไปข้างในมองเข้าไปตับไตเส่พงุงอุจจาระปัสสาวะที่ไม่มีอยู่ในตัวเราข้างในก แค่หนังบางๆมันบางเอาไว้ถ้าเรากรีดหนังตัวนี้อบอกาแลมออกก็จะเจอชิ้นหนาไขมันจะไขมันเข้าไปอีกกระดูกกระดูกเข้าไปถึงจะเห็นข้างในแหวกออกมาตับไตแทบตุ่มได้น้อยใช่ไหมที่เราพาราัลนาอาการสารนันชองเลยมันจะเป็นวลาอสุภรรย์เราก็จําพาบรรไดก็พิจารณา ย, ยกขึ้นมาพิจารณาอันนี้คือภาพที่สอง ส่วนภาพสุดท้ายคือลอกออกหมดเลยลอกออกก็คือไม่มีผมผลเล็บวันหนังตับไตเสียออกเหลือแต่โครงกระดูสามภาพเราต้องเห็นอย่างต่อเ น, นื่องแล้วก็ให้มันจบลงเร็วเรียกว่าวิปัสนาจบลงเร็วก็แปลว่าหลังจากเนรูปเปื่องเป็นหญิงเป็ใช้เป็นเพศสูงต่ำดำขาวอันนี้คือภาพทั่วไป ถมตไปซึ่งเราเราก็ได้แค่นี้นโดยทั่วตัไปถ้าใครไม่ปฏิบัติมาเห็นแค่นี้รหรับนักปฏิบัติเราเห็นลึกเข้าไปในข้างใ น, นแต่และคนมันอุปกอบมันไม่แค่แค่สวยแค่งามแค่หลออสะอาดสะอานข้างนอกข้างนอกมันสะอาดเพราะเราชำระทุกวันถ้าเราไม่ชำระวันไหนวันไหนทาไมอาบน้ําไม่แปรงฟันไม่สะผมหรือแปลงอะไรก็แล้วแต่นะความสุขประกมันก็จะเห็นปรากฏทันที แล้วในชิดมันจะมันพอเสียงแล้วมันจะเป็ดบางไม่ให้เราวังเห็นภาพควาเป็นจริงนีง่คือทาไมถึงว่าอาสุภะถึงเปรื่องพิจรารณาเป็นตัวที่สามนี่คือตัวที่สองเพราพิจรารณาจริงแล้วทําไมยังบอกไปอสุภะอสุภะจะหาได้ยังไงถ้าเหลือแต่กโกงก็ดูจะเห็นชัดเจนเลยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรก็แปลว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเป็นเพศ เพศหญิงเพศชายที่ว่าก็ไม่รู้ก็ไม่มีเพศกจะดิรงกระดุกอ น, นีน้สุดท้ายก็คือทั้งสามภาพเนะขาทิ้งหมดทั้งสามภาพคือหายไปหมดจึงเรียก ว, ว่าพิพิสศคือตั้งแต่ต้นจนจบเพราะนั้นดูมองภาพแรก ถ้าติเป็นตั ว, ปตวเป็นตนเปนเราเป็นเขายกขึ้นมาพิจารณาว่าโอทําไมเราถึงได้ติดได้ขัดได้ยึดได้ถืออุปทานในขนาดนั้นถ้าใครใช้บริการแล้วว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต่างควาต่างยึดต่าถือเป็นเจ้าเป็นของซึ่งกันและกันพลาดจากกันไม่ได้คนอื่นเอาไปไม่ได้เป็นเรื่องเอากันถึงตายเลย แสดงเป็นเจ้าขเหมือนก็ตุกกระทาตุกกตุนนะแค่เอาไปเอาถึงตายในความที่เราขาดกันพิจารณาแต่สมมติว่าเราเห็นภาพที่สาเพื่อหรือแต่โครงกระดูกไม่เค่เอาไหมเห็นแต่หรือแต่ตับไตเส้นพุงไมีใครแย่งไปไหมคือท้ายเตอร์ต่โครงกระดูกมีใครเอามีใครเอาเอาเฉพาะวันมันเห็นมันสวยมันงามมันรักน้าเราหน่าจับหนาใครหน้าพอใจคือการอารมณ์นั่นเองเนี่ยตัวพีนาเพื่อให้ตัดการมอารมณ์ ถ้าเสิ่งมีเหล่านี้อยู่ไม่มีทางที่จะเข้าใจเรื่องการอารมณ์ได้ไม่มีเลยตัแต่เราไปอยู่นีเน่เป็นเยื่อเป็นภ้าพวามกามอารมณ์ใจมันก็ไปสูงก่อ น, นี้ไปไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้ไปสกาตะคะ อ, อาคาขันตาไม่ได้เพราะเรามันไม่เห็นภาพเหล่านี้ในความเป็นจริงคือไม่สามารถจะทำลายภาพเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระอนาคาคดีท่านมองสิ่งเหล่านี้ เสร็จแล้วเฮ้ยความกำลังง่ายๆอยงนี้เวลาเราก็ไม่ใช่ราคาราคามันน้อยไม่ใช่ไม่มีเลยมันมีโดยสัญชาติญาณเท่าสัญชาติญาณที่มนุษย์มีสัญชาติญาณ ม, มันมนมุษย์หรือสัตว์มีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ว่าสัตว์นะก็ใช้แค่สัญชาติญาณเพราะมันต่างต่างสัตว์กับคนต่างกันอย่างนี้เช่นเวลาจะกินเนี่ย มันไม่ได้กำลังอะอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นหรือจะตายอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้กินกัดทั้งที่นเป็นกินทั้งที่ดเป็นกินทั้งที่ดิ้นเป็นนี่คือสัญชาตญาณมันหิวเพื่อคลายคลายความหิวอำบัดเวทนาแลืความทุกข์นั่นแหละพอกินอิ่มแล้วก็เฉยมันไม่ไม่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นบาปเป็นบุญในสมองในของคิดมันไม่ดีมันไม่มีบุญมีบาปอยู่ในสมองไม่มีอยู่ในใจมันเลยเนี่ยสัตว์นะ เพราะฉะนั้นสภาวะองเนี้ถ้าเกิดกับรรปรอเมื่อไหร่ก็คือแยกบุญไม่ได้แยกบาปไม่ได้เหมือนมันไม่ต่างอะไรกับพวกเขาเนโดยสภาวะทางจิตใจมันไม่ต่างต่างโดยสภาพของร่างกายเป็นกายภาพเท่านั้นเดี๋ยจิตใจมันไม่ต่างกันเลยนั่นเราเลาเห็นคนจะตา่างบอกว่าเพราะอันนี้นี่เองนะคนที่จิตสูงประเทศ ย, ยกระดับสกัดอนาคารจนห่างไกลจากถึงเราได้ ต้องพิจารณาเลยต้องเห็นจากนี้ภายในเห็นจากข้างในไม่เห็นจากปัจจัยภายนอกที่ปัญญาเวันนั้นภาพหนึภาพสองภาพสามสามคำจนสุดท้ายก็คือไม่มีเลยเมื่อจิตออกจากร่างไปแล้วมานก็จิตที่มันครองร่างของที่ 1, 2, 3, 3, หนึ่งสองสามสามนูมันไปแล้วมันไม่อยู่แล้วจิตมันไปข้างนอกแล้วมันก็เหลือแต่แต่ซากถ้าเป็นสัตว์ก็เหลือว่าซากแต่ม น, น, น, น, นุษย์ก็จะเหลือวศพ แ, แล้วแต่ เอาไปทำลายเอาไปป อ, อไปฝังอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อหรือปล่อยไว้มันก็อยู่ตามธรรมชาติของเขานั้นดูไก่อนเขาอย่อปา้าช้าผีดิบคือคนตายแล้วก็มาเดิไปฝังไปทิ้งไว้เฉยๆให้สัตว์มันรมถึงรุมกินรุมแย่งไปตามธรรมชาติก็ไต่บนไปอีแบบนี้อันนี้คือแนวทางในการปฏิบัติของเราเพื่อให ใใจิเจงเราพัฒนาดีขึ้นคือพัฒนาขึ้นให้มากขึ้นในแต่ละวันในแต่ละวันนั่นคือสุดท้ายก็คือข้อที่สี่นี้อาสุภาษข้อที่สี่คือบารนนาคือความตายมารนานสุสติตถึงความตายเสมอว่าสุดท้ายก็คือภาพที่สามตัง้งต่ขึ้นกับเราเนี่นไนคือแต่โครงกระดูกก็จะออกจากร่างแล้วมันก็จะ มันก็จะไปตอดแลยเหลือแต่รานาบนสติคือตายตายแน่นอนอันนี้คือภาพสุดท้ายภาพแปดนั่นคืออารมณ์วิปัสสาก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่รือปรากฏตู่แล้วก็ดับไปของทุกสรรพสิ่งของทุกเรื่องแต่เนี้ยเอกไปใช้กับชีวิตปัจจุบันของเราอะไรก็ได้ี่เกิดขึ้นกับพวกเราตืขอข้าวปลาอาหารอื่น จะรณาให้เป็นอาจารย์ประการอนัตตาขึ้นตัน้งรืดับไปพอเห็นอันนี้นะเนี่ยเป็น อ, น, อนุจาลักษณะสัญญาคือความจําที่เป็นอนุจารสลักษคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคืออยู่ไม่ได้ตลอดกับตลอดกันโดยชั่วครั้งชั่วคราวการเวลาจางมนุษย์เราเต็มที่กว่าร้อยโดยประมาณแต่ว่าน้อยน้อยมากๆที่อยู่ได้เป็นร้อยแต่ถึงอยู่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ ใช่ครับก็จะทําความดีความไม่ดีทั้งหลายเลยมันก็ยา ก, กแค่เอาตัวยังไม่รอดบางคนก็ถึงว่าติดเตียงแล้วเพราะฉะคนที่ไปที่นอนอยู่สาลานอกสารานางคนสารานางแค่หกสิบนิดหน่อยไม่ได้เยอะแค่หกสิบเองนะไม่ได้เยอะนะพวกเราเป็นไหมเอาแน่นอนเลยไม่ได้นะเพราะความตายมาเยือนไปแล้วไปไหนทีนี้ การกันนัก็ไม่มีทิศทางหรอกจีวิตญาณออกจากร่างจิตวิญญาณคือร่างกายจิตใจออกกร่างมันไปต่อมันก็ไปยึดมันก็เป็นกอบพบกอบชาติพบสุภวะนี่แหละก่อที่มันจะเกิดมาก็เป็นพบไปตามพบหรือว่าภูมิหรือว่าชานั้นนั้นอยู่ในพบไหนหมายความว่าจิตถ้าโยนยังยินดีในกามพูดง่ายๆอย่างนี้เหมือนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ยังจะดีอีาการคือเต็มใจในกลาราการมาคุณนี่แหละพุทธายัรูปเสึนนปปกงจอเ่องปวดต่างนรกเต็จอยู่เรื่งเหล่านี้เพราะมันไม่เข้าใจเราอาศุภะก็กลับมาที่ใช่บ ร, ริการที่เดิมนี่แต่นี่การบ ร, ริการที่เดิมในขณะที่ยังมีที่อยู่สิ่ห้าไม่ครบไม่มีอะไรเลยเนยะมันจะเกิดอะไรขึ้นตน้นทนมันไม่มีเพราต้นทนมันไม่มีเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมครบหมดธาตุสี่กันห้าเหมือนกัน ดินด้ามไฟละเหมือนกันทุกอย่างนลแต่จิตใจพัฒนาอะไรไม่ได้นั่นคือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสตาที่่างอยู่พวกเราถามว่าระวังสิ่งเหล่านี้เขาคนกับมนุษย์อะไรไมันเยอะกว่ากันตอบชัดเจนอยมนุษย์น้อยกว่าจะเทียบเอร์เซ็นต์ไม่ได้เทียบกับพวกเขาันปริมาณในโลกนี้เทียบกันไม่ได้ในขณะเดียวกันคนที่มีอยู่นี่ยที่จะไปดี ก็เก่าหรือกลับมาที่เดิมได้นะมีจนนน ой, มาํานวนน้อยน้อยมากๆจะไปสูงกว่านี้ก็มีไม่ได้เยอะคนที่ไปสูงแล้วก็อยากกลับมาที่เดิมเพราะไปสูงกว่านี้ทําอะไรไม่ได้คืไปสวยอย่างเดียวก็หมดแล้วก็คือหมดกลับมาทําใหม่ก็มาทําทุนใหม่มาต่อทุนใหม่เพราะเราอยาเราอยากไปปรารถนาที่เป็นเรวดาป้าดินอะไรเลย มาที่ของสนุกสนานเจดานไปไปพอสนุกเสร็จดาแปลว่าเพลินเพลินเล่นสนุกนนไปไปกันมาว่าแค่อยากกินแล้วก็แค่ในฐานก็นึกถึงขีง้อิ่มแล้วแต่เขาก็ยังมีพวกนี้อยู่แต่แค่นึกก็สําเร็จแล้วไเแียวสำเร็จ้วยใจไม่ได้สำเร็จด้วยกา ย, ยาพวกเราเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าเป็นเทวดาแล้วบ่รเป็นต่อได้ไหมคําตอบก็คือมันไม่มีหพวกเรา เป็นคําถามาาด้วก็ไปดูว่าถามเรื่องนี้แหละถามว่าเป็นเทวดาแล้วไปไปต่อเทวดาทำ ไ, ไมมันไม่ได้จะเป็นสูงไปก็นั่งอยูชั้นกรมไปต่อเองได้คือได้ฌานหรือเจอพระอรยะพระอาราหันต์อย่างนั้นเป็นข้อยกเวน้นแต่ถ้าทั่วไปแล้วไม่ได้ก็สวยบนบุนแล้วก็หมดหม ด, หมดกันทําไมถึงไม่ได้ แต่เพราะว่าเขามีแค่ขันสี่ไม่ได้มีกันห้ายอย่างแล้วขันสีก็เหลือแต่เราจะมีรูปเวทนาสัญญาท่างาดินญญาแานเพราะเขามีแค่สี่ตัวหลังส่วนรูปนั้นเกิดจากการอุปาทานการยึดเอาถือเอาเกิดใจนึกขึ้นมาตึงขึ้นมามนก็เป็นภาพเรารูปชาหรืออรูปชามันเป็นภาพเราก็นึกเอาจิตมันไปคล้องอยู่ตรงนั้นจินตมันไปตั้งอยู่ตรงนั้น ไปวางกันนั้นอทิติเจ็ดทิติวิญญาณมันไปตั้งรกันมันจะเป็นต้องมีถ้าไม่มีมันอยู่ไม่ได้เหมือนมนุษย์เราหรือคนเราที่ฝันเนี่ยตั้งที่ตาทํามาธิไม่ได้ปากไม่ได้หูก็ไม่ได้ดับหัวดับกายก็ไม่ได้แต่ทําไมเป็นรูปเป็นร่างอยู่ก็คือฝันนั่นเองเวลาฝันเัน่ะเป็นรูปเ ป, รเป็นร่างเป็นนั่นเป็นนู้เกิดจากอะไรเกิดจากค ว, วามค่ดจิตจิตที่มันก่อพวกกอชาติมันนึกอะไรขึ้นมาก็เป็นภาพวัา น, นั้นไปนั้น คนเรานียใครที่บอกว่าไม่ฝันกลางวันนะเข้าใจผิดเราฝันกลางวันทุกคนไม่มีใครได้ไม่ฝันกันแต่เพราะกลางวันเราฝันแล้วอารหมีรูปเนี่ยสามารถที่จะแปลก็เข้าใจได้ทันทีหูฟังเสียงเข้าใจทันทีเลยคือไม่ต้องไปรูปรูปภาพเพราะมันเจอของจริงอยูแล้วส่วนคนหลับมันตามนี่เห็นโอไม่ได้ยินมันก็เกิดจากจิตนาการ เอาเลยพวกังแค่เจ็ดนั่นเลยตัวนั้นละตัวที่เป็นก่อพวกป่อชาติที่จะไปข้างหน้าที่สี่ตัวนั่นละตอนนี้เรามี 5, มทั้งห้ามีทุกอย่างแต่ที่สําคัญคือโลกมนุษย์มีมีทุกอย่างให้เราเห็นยากมีเต็มสูงต่ำดำขาวดีชั่วชาลพัดเห็นหมดแขนข้างเดียวขาข้างเดียวตาข้างเดียวหรือหายไปสองข้างอย่างนี้เลยว่า ร่างกายพัฒนาไปกว่านี้ไม่ได้มันเห็นหมดทุกอย่างคือมีให้เราพิจารณาแต่เราไม่มองให้มันเกิดปัญญางมันก็ได้แค่สัญญาแต่ที่สำคัญคือเกิดในภูมิรีเที่มันเหมาะสมคนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเช่นกันนะถ้าไม่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมมันเกิดเป็นคนไม่ได้เหมือนผลไม้รากไม้เราไปหวานลงในที่ที่มันมันไม่เกิดเลยมันก็เกิดไม่ได้ ผลไม้มเมล็ดพันธุ์นี้ขนาดไหนถ้าไปหว่านลงหินนี่มันจะเกิดนหะไม่ได้แต่ดินดินมันต้องเหมาะสมมีความเหมาะสมถึงจะเกิดได้มเมล็ดพันธุ์นั้นถึงเกิดได้จิตของเราก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะปฏิสนธิ์ท่ของเรามันต้องมีอุณภูมิที่มันเหมาะสมที่ปฏิสัทธิแล้วก็ระดับหรือว่าภูมิชั้นพอกันที่จะไหลไปหาตักันในขณะจุดสุดท้าย จะออกจากร่างมันนึกสะสมอะไรอันต้องระวังพวกเราต้องฝึกฝึกประจําอยู่เสมออยู่เสมอมีสติเพราะว่าเมื่อเวทนามันทําหน้าที่เวทนา ท, ทําที่หมายความว่าเมื่อจะอร่วมแบบเ น, นี้ยรวมคือร่างกายสังขารนี่มันโดนเวทนาบีบขั้นหนักมันทําหน้าที่โดยเฉพาะคือทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่ทลายอุเบกขาไม่ทลายแต่ทุกขเวทนาบีบขั้นหนักหนักนี่ จิตมันจะอยู่ไม่ได้มันร้อนมันอยู่ไม่ได้สังเกตว่าเรานั่งสมาธิแต่นั่งที่หนักเนี่ยก็ดูหัวเข่ามันร้อนเหมือนไฟไหม้น้ำตามันก็จะไหลออกเองไม่ใช่ร้องหรงไม่ใช่ปิดแต่เนื่องจากมันเวทนาหมายถึงจิตในขณะนั้นออกมารับรู้ข้างนอกนะอยูเว้นจิตที่เป็นสมาธิคืออปปนาสมาธิมันจะไม่มีความรู้สึกข้างนอก ไม่รับรู้ภายนอกคือกายหมายคือว่าเย็นร้อนออกกันปวดตกฟ้าร้องอย่างอื่นจะบแค่ปวดมันไม่มีผมจะบปวดในร่างกายมันไม่มีเพราะจิตมันไม่ได้อยู่ตรงนี้จิตมันลงลึกมันดับเวทนามันก็ดับไม่ได้แบเวทนามนั้นไม่มีนะแต่พอจิตมันถอนออกมามันรับรู้ภายนอกผมอารมณ์แกร่งแกวขาปวดแกรงปวดขาพอปวดปวดอันหนักเข้า น้ำตามันออกเองโดยอัตโนมัติเพราะโดนบีบคั้นอย่างหนักน้ำตาเป็นแสดงออกถึงความทุกข์ทรมานมันแตลว่าดีใจัอย่างเดียวน้ำตานะ่เสียใจอย่างเดียวน้ำตานะี่โดนบีบคั้นหนักน้ำตามงคก็จะไหลออกไปเธรรมชาติโดยอัตโนมัติจิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเวทนามันทำหน้าที่บีบคั้นแรงหนั ก, นกมันก็อยู่ไม่ได้ตั้งการาการ็จะอยู่ไม่ได้จิตมันก็จะออกจารรออ ก, กา ร, ร่างเด้งออกจากร่างนี้ไปประกาที่ตั้งใหม่ เวลาที่อยู่ใหม่อันนั้นคืออุตตรธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ไม่เข้าใจสภาวะของจิตอย่างเนี้ยในขณะที่จิตที่ออกจากร่างคนที่กลจะตายที่เราเข้าใจว่าเขาทุกขทรมานแกปวดร้ามมันไม่มีกดจิตที่จะออกจากร่างจริงเราก็จะเห็นเขาเวทนาทุรกข์ร้อนไม่มีแกก็จสบายก็เ ย, ยน็นกดดับไม่ปวดไม่เหมือ่อยไม่ไข้ไม่ร้อน จิตมันสบายออกจากร่างมาแล้วมันสบายตัว ร, ร่างกายเป็นเรื่องหนึ่งนะจิตจะเป็นเรื่องหนึ่งร่างกายอาจจะไม่ไหวแล้วจิตทรมานเป็นไม่ไหวแล้วแต่ถ้าจิตมันสภาพมันอีกอย่างจิตมันสบายไม่ออกจากร่างในขณะออกจากร่างเอาไปที่นั่นในขณะที่ออกดูที่ว่ามันมีสติหรือไม่มีสติอันนี้สําคัญถ้าไม่มีสติเลยโดนเวทนาเกิดขั้นเรือก็ทุกเวทนากจิตก็ไปอยู่กับเวทนานี่อันตราย หรือเจตประโยคน์คำลูกของหลานหรือเจตสุดท้ายนึกถึงอะไรขึ้นมาอันตรายเพราะฉะนั้นพุทธานุสติจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องย้ำพุทธานุสติเมตตาไนคุณสมบัติให้มีคุณสุบัติอไรจิต ท, ที่จิตไปก็อย่างดีไม่งั้นไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เลยจิตบางโอมันก็จะไปไหนได้กระต่านสภาวะคือการมาพบรู้พบรูพบ คือโลกก็สามนเองเดียวสามเดือนโลกธาตุก็คืออันนี้จิตมันก็จะไปตามสบาวยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือเราฝึกให้เราเข้าใจใสิ่งเหลนี้ก่อนคือฝึกให้รับรู้ในตัวเราเองทั้งหมดอย่างน้อยก็คือจิตเป็นสศรอบบางไม่สศรอบมากไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาจิตเขาอุปจารสมาธิคือเข้าไปใกล้แต่มันมีสติรู้ตัว รู้ตัวคือรู้จักเวทนาสุกับเติบเป็นกาตนาให้รู้ทั้งสอย่างบานรุษอย่างไรอย่างนี้รู้แล้วต้องวางมันได้ประเด็นคือต้องวางนะคือวางได้กันไมไอ้อย่าเอาไปใจเจดจ่อนี ก, ก็สิ่งเหล่านั้นมันก็ดับเองเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่านิจาลักษณะคือการเกิดขึ้นัอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนั้กับเวทนานี่แหละมันเป็นตัวหลักเป็นตัชี้ดับไปไหมไม่ดับไปเลยเดี๋ยวกันพอได้รอบหนึ่งมันก็กลับมาอีกเหมือนเดิมอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราสังเกตแล้วแต่คน คนก็สามสิบนาทีสี่้านาทีชั่วโมงสองชั่วโมงมันกลับมาที่เดิมอีกแหละมาเริ่มปวดคือเวทนาอีกมันแสดงมาเป็ น, ปนรอเป็นรอบอยู่อย่างธรรมชาติของเขาแตนะ่ถ้าเราเคยผ่านแล้วเราจะเข้าใจาอ่าเดี๋ยวมันก็ดับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับนะถ้าจิตไม่ฝากว่าสิ่งเชิงเราก็พิาจารณาอย่่ต่อไม่ต้องไปสงใจอะไรพิจารณาอะไรก็ได้เป็นอาสุพะหรือธรรมสังเวชหรืออะไรแล้วแต่เป็นหัวข้อทํา ยกมาเพื่ออะไรเพื่อวควบระตอนปล่อยวางในธาตุสี่ขันห้าอัน้ไปเห็นว่าเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมอยูเหลือแต่กระดูกไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ดินเปล่ ào, าๆเลยกรบดูกจิตของเราก็จะออกกกนนี้ไปนะนี่คือทําลายตัวตนที่มีอยู่จิตของผู้สูงไปกว่า น, นั้นนอกจากที่เป็นอนาคาริกคือม่มีบ้านคืออนาคามีคือพ้นจากคือการอย่างนี้แล้วก็คือไม่เกี่ยวข้งองกับสิ่งเหล่านี้ มันสั่งยชนสิบตัวสุดท้ายคือขาดคือมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์จะทำอะไรก็โดยความิีสติสติกบกับอยู่เสมอสวนนิสัยเหมือนนึ่มมันละไม่ได้พระภ า, ภาริยพระอรหันต์หลายรูปทั้งในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีเราก็ยังเห็นบางคนก็มีนิสัยพูดจาหยาบคาย เป็นกิยาของกายในสมัยพุทธการก็มีเป็น I oy, ไอถอยแต่ไหนแต่พูดอยู่ติดปาทแต่ท่านไม่ได้ไไดเป็นคนถอยไม่ได้ไปเอคคนต่เพูดถึงเป็นคนถอยแต่นิสัยของท่านเป็นอย่างนั้นและไม่ใช่ชาติเดียวประเรณนิสัยเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นชาติเดียวนะอุปนิสัยชาตินี้ก็เรือุปนิสัยแต่นิสัยเลยว่าอะนุ๊กใสหนักก็นั่นเองพิธีนองเนื่องกันในสันดามนมรุกยีพวกอีเท่านั้นั้นยึงแก้ยาก มันแก้ยากถ้าไม่ใช่จิตติดเลิอไปกว่า น, นั้นจิตติละเอียดไปกว่า น, นั้นแก้ไม่ได้อานุสัยเพราะนั้นตัวนี้เราแก้ได้อานุสัยของเราแก้ได้แต่ว่ามันเป็นวาสนาของพระอาหารหันตุโอนแต่แต่ว่านิสัยมีจิตตัวใหม่เนี่ยก็เป็นธรรมญาติของท่านเพราะฉะนั้นเรื่องของกายใน เ, เรื่องหลายคนสงสัยว่าทำามันหลูปกปูหลือตาโนั้นโอนี้ทํำไม มันละไม่ได้อยากลองเรื่องเช่นงรื่อโบรงบรูปบรีเรื่องมาเรื่องอะไรไเรื่องของกายเป็นพนักกายของการนี่เกิกับใจเราก็ไปตำแหน่ท่านแทนที่จะเป็นการดีเรานะ่เป็นเสียที่เราตัวท่านไม่เดือดร้อนเราไปตำแหน่งตัวเองก็ไม่ได้ดีไปยว่าไม่อะไรดีเลยไปตำแหน่งอืง่นๆครับเห็นหลายรูปไม่แต่ผรสง โ, โอนี่ยรกันไม่ได้ญาติโยมเมืเองนี้ที่ไปตำแหน่ไปปรามาส ต้องระวังเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่จะไปวิรปรจารจารคุณอื่นโดยเฉพาะคือคุณบาอาจาร ย, ย์ต้องเป็นเรื่องที่ยกเว้นเป็นบุคคลที่ยกเว้นเป็นเรื่องที่ยกเว้นในชีวิตของเราอย่าเอามายุ่งกับชีวิตประจำวันกับพวกเราเพราะว่าท่านอยู่ในศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาที่พวกเราคิดเองเอาเองพูดเองเออเองแรือสรุปเอาเองว่ามันไม่ดีอย่ในตัวสำคัญเพราะฉะนั้นฝากพวกเราทุกคนปีใหม่นี้ หรือพยายามที่จะนึกถึงอย่างน้อยที่ก็คือเป็นพุทธานุสติประมาณนุสติสังขานุสติเรียกว่านุสติเป็นเครื่องเรานึกเป็นเครื่องอยู่ของจิตของเราถ้าจิตของเราอยู่แล้วนึกอะไรให้นึกอยู่ในกรอบอันนี้พันอกนั้นมันจะความดีบรรยากาศพยายามที่จะมองตัวเองนะคฮะให้เป็นไปในอัศวะเมตตาเจตคติคือมารณนะมารณา น, นุสติเหมือนกับศลาสองสลาตอนาานี้ก็เริ่มมรณานุสติแล้ว ตอนยาวเจอแต่ไปไปเผากันใครจะทำบุญทําบาปอะไรกันแล้วแต่ไม่เดือดร้อนัางผูกเรากำลันการสุดท้ายปลายทางพองเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเรายังไม่รีบไม่เร่งไม่พิจารณาเรื่องอะไรถึงเรื่งความเพียรเร่งอะไนี่เปความต่อเ น, นื่องหรือสันตติความเพียรเรา ม, มีแต่มันไม่ต่อเ น, นื่องปัญญาเรา ม, มีแต่มันน้อยมันไม่ใช่เราพูดถึงสิ่งแใดมันไ ม, ม, ม่มีเรามีหมดทุกอย่างตอนนี้ สติมีไหมมีแต่มันน้อยปัญญามีไหมมีจะเป็นน้อยเหมือนกับสตังค์คือเงินถามวามีใครที่ไม่เคยมีมีเงินเลยไม่มีทุกคนเคยมีเงินตั้งนั้นนะแต่ว่ามีมากมีน้อยเท่านั้นเองวันั้นสติปัญญาของเราเหมือนกันแล้วเงินมันมาจากไหนก็จากเราหามาใช้ไป ถ้ามนหามันจะมาได้ไงจะมีได้ไงเหมือนกันสติก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่พิจรารณาถ้าสติมันจะมาจากไหนรอยกากันมไม่มีมันไม่มีถ้าเราไม่ทําเลยเราไม่ปฏิบัติเลยมันก็เป็นเกิดได้แต่บนเอา้นบนในน้อยใจในวาสนาบาลมีทําไมเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ทําไมเราไม่เจอโอ้ไปตําหนิตัวเองทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้อะไรนั้นก็เรียบแค้ไข่ปรับปรุง เริ่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นด้วยการพิจารณาตัวเองให้มากที่สุดเน้นว่าพิจารณาตัวเองดูตัเวออเองให้มากขึ้นดูคนอื่นนี่มันน้อยลงเกี่ยวข้งของกับคนอื่นนี่ยมันน้อยลงให้ดูตัวเองครัมากขึ้นเพราะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นมันแทบไม่ได้อะไรประโยชน์พอเกี่ยวข้องกันมานานแล้วสี่สบิบปีสิบปีเจ็ดสิบปีติสมาธิกับอื่นเน่ะมันก็ได้แค่นั้น แต่กับตัวเองเนะี่ยแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับตัวของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆเมื่อเราไม่รู้ตัวเองเราจะเป็นละถอนปล่อยวางเรื่องเหล่านี้พัฒนามากขึ้นตั้งแต่โซดาตส ก, กาตกาอนาคาเดหันตามันเป็นไปไม่ได้นแต่คุณสวัสดเหล่านี้โดยพึ่งพรือพัฒนาใจอย่างไม่มั่นคงมันเป็นไปไม่ได้เลยมื่อใ ด, ดต่อไปข้างหน้าพรารเบื่อ้นจะเกิดพัตนาใจ แต่ความมั่งคงในสินสมาธิปัญญาเขามั่งคงในตรงนี้หมายถึงก่อนต่อเนื่องในแต่ละวันให้มันต่อเนื่องไม่ใช่วันนี้เคยได้มาแล้ก็ทำค่อยต่อมันไม่ได้มันต้องต่อเนื่องเรว่อสันตติของจิตมันตอนนี้เราขาดการต่อเนื่องตรงนี้แหละที่สําคัญเพราะนั่นที่เราต้องการปฏิบัติให้มันต่อเนื่องนานๆก็คือให้เรามีความสันตติในความเพียรสันตติของสติสตติของปัญญาอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นไม่ให้มาขาดช่วงเช่นเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเราก็เห็นทีละเรื่องเห็นว่าการเกิดคือเรื่องหนึ่งแก่เป็นเรื่องหนึ่งเจ็บเป็นเรื่องตายเป็นเรื่องหนึ่งจริงๆมันก็อยู่ที่ตัวเราหมดแหละแต่ถ้าเราเข้าใจกระบวนการเนี้ยมันอยู่ที่เราเกิดแก่เจ็บตายทีเดียวจบคือเห็นเร็วเร็วขึ้นเห็นในวันที่เห็นด้วยปัญญามันจะมีประโยชน์ในการปฏิบัติของพวเราประสมาร์ดจะเห็นว่าแต่ละมันจบเร็ว เกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วตายเร็วควิดกาพูดกันกระทําการปรุงกันแต่งของเราเกิดเร็วปรุงเร็วดับเร็วนี่จะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าเกิดแล้วมันไม่ดับหรือดับช้าเป็นปัญหาทุกเรื่องทั้งดีแล้วไม่ดีทั้งสุขและทุกมันก็จะเป็นผลต่อเรานะถ้าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเกิดแล้วดับเร็วเกิดแล้วดับเร็วเราก็จะเห็นแค่การเกิดและการดับของอารมณ์นี กว่าอาจารย์หรือผู้มีสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วท่านก็เห็นสิ่งเหล่านี้เร็วกว่าผูเราหีหเห็นการเกิดการตั้งอยู่และการดับไปให้เร็วที่สุดให้เร็ ว, รวที่เท่าทีเร็วได้ไหมก็เร็วระเรื่มันหายใจก็หายใจอจอกแล้วเกิดดับเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับปหมายแต่ถ้ า, าเห็นแล้วมันดับเร็วแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทุกวันเรามันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้ว บอกมันจะดับบางทีมันไม่ดับด้วยซมันไม่ดับมันก็ไปลามต่อเช่นเช่นโคบโกดมันเกิดแล้วมันไม่ดับมันตั้งอยู่แล้วมันไปลามต่อเป็นไม่ต่อโคบโกดคือไฟอก็ไม่ตัวเองพอเป็นไมคนอื่นอย่างเนี้ยลำบากก็ลามกันตัวเพราะมันไม่ดับเพราะมันเกิดแล้วมันไม่ดับนะมันก็ปิดธรรมชาติเพราะนนั้ธรรมชาติแล้วเกิดแล้วมันจะต้องดับเพราะนั้นให้มันเกิดเร็วดับเร็ว เป็นการดีที่สุดอันนี้คือการปฏิบัติาของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติของเราในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทําได้ถ้าเราเห็นภาพสามภาพนี้คือภาพแรกคือภาพสุวไปภาพสองภาพอสุภะคือตับจจเตะก็คงภาพสามก็คือเอหลืออะไรเลยที่มองเห็นไม่ใช่ตับเตะก็ทั้งสามภาพต้องดับไปทันที เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปนี่คืออารมณ์ของนักวิปัสสนากรรมาฐานถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราแล้วปัญญามันก็จะเริญนมันก็จะเกิดเราจะเห็นแค่สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งทั้งเองของชีวิตเ ร, เรียกกระบวนการชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปโดยมีทุกเป็นหลักในการพิจารณาคือเป้าหมายของเราคือกําจัดทุกถ้าใครกำจัดได้ก็จิตก็จะยืนเหนือสิ่งเหล่านี้ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพ้นระดับเหนือที่เขึ้นเนี่ยทุกเรียกว่าพ้นทุกมันก็ไปอยู่ในโลกบนนี้แหละแต่ใครไปยึดเอาเจ้าของไปกรรมเอาไว้ไปยึดอาไว้ไปถือไว้คนนั้นก็ทุกข์สุขก็เช่นเดียวกันมันก็มีอยู่ในโลกนี้มันได้ไปไหนแต่ใครไปยึดเอาไว้ไปถือไว้ไปกรรมเอาไว้คนนั้นก็เป็นสุขไปแต่คนวางทั้งสุขทั้งเทอะแด่ก็เปรกขาหรือวางอารมณ์ได้ก็อุเบกขา แต่จิตกลางคุณอีกแล้วเหนือสิ่งนี้นะถ้าเหนือสิ่งเหล่านี้คือวางอารมณ์นนี้ได้เราจะเรียกว่ามีตัวมีตนยังไงจะเรียกว่าอนาตาเพราะท่านไม่ยึดไม่ถือในรูปหนึ่งสองสามแล้วจิตท่านก็เย็นเหนือสิ่งเหล่ า, า น, าานงงี้เรียก ว, ว่าเหนือทุกท่านไเคยบอกเลยว่าเหนือศพคือผลก็บอกผลทุกไม่ได้บอกว่าผลศพคุอผลจากทุก น, นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าของเราพยายามเพียรสอนแล้วก็พระแม่ครูอาจารย์ เรียสืบต่อจากเจเจระธมให้เราเข้าใจหลักการและวิธีการอหล่านี้เพื่อนําประสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในชีิตประจำวันก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงการปฏิบัติการภาวนาของเราเพื่อช่วยการาาาาาา เ, เจเริญขึ้นทุกวันก็เรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้มีให้เป็นเกิดขึ้นคือกุศลเกิดขึ้นเจริญขึ้นทุกวันทุกวันที่เรียกว่าพัฒนาถ้าไม่มีการพัฒนา ก็มาเรียนภาวนาคือเหมือนเดิมยังปูทิศทําเหมือนเดิมก็ไม่มีการพัฒนาก็มาเรียนภาวนาแต่แต่นั่งหลับหูหลับตาไม่พัฒนาไปไหนมันได้ไปไกลเลยยังไม่เห็นรูปร่างหนาตาตัวเองเลยคือยังไม่เข้าใจตัวเองแา้วในคนนั่งภาวนาคือคืนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเพื่อจะเราเข้าใจกระบวนการการทํางานของเขาแล้ววันหนึ่งเจ็บปวดจากร่างไปแล้วจะได้มากลับมาครองเหมือนเดิม มันก็มากลับมาที่เดิมอีกกลับมายึดมาถือรูกท่าสีนะ่กันห้าเนี่เหมือนเดิมไม่แต่ไหนมันไหนเพราะอย่างไรจะไม่อดไม่พ้นอันนี้คือหลักในการปฏิบัติพระปาพวกเราทุกคนในวันนี้ก็ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนวันนี้เป็นวันพระแรกของปีใหม่เราหาของใหม่ใหม่ให้กับชีวิตมเพื่อจะได้ชีวิตจะได้ดีขึ้นแลน้วเราก็บันทึกความดีจําความดีที่เราทำอันนี้จิตมันก็จะจําความดีอันนี้ไว้ ขอเรทาทั้งหลายได้มีความสุขควาเจริญหรือโลกว่าเจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมวเจริญทา ง, าทา ง, ทางให้มีความสุขควาเจริญ ท, ท, ท, ท, ท, ทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิญ